จะเป็นพิธีการแก้ปัญหาในทางที่ถูกแก้ปัญหาเอาศีลธรรมมาเป็นเครื่องป้องกันมาเป็นเครื่องแก้ปัญหาฉะนั้นศีลธรรมมีลักษณะอย่างไรทีนี้ต่อไปให้พวกเรานั่งส ม, มาธิฟัง ถุกพ่อการได้อยู่ได้จินดิมรดสัมผัสสิ่งเหล่านี้เราได้มาจากไหนอ่ะเนี่ยกลัวจะทำให้ใจของเรามีความสุขขึ้นมาได้ก็มาจากพ่อจากแม่ของเราทั้งหมดตาของเราก็ดีหูของเราก็ดีอวัยวะทุกสัสดส่วนนั่นน่ะ ที่เรียกว่าเป็นสมบัติล้ำค่าที่มีแข้งมีขามีแขนมีมือมีอวัยวะอะไรทุกสัดส่วนที่มีในตัวของเรานี่ยนะเรามีแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีความสมบูรณ์นี่ความดีความสุขความสบายเกิดจากการเรามีตาซึ่งพ่อแม่ให้มาความสุขความสบาย ซึ่งเกิดจากที่เรามีหูฟังที่พ่อแม่ให้มาความสุขความสบายที่เกิดจากมีแข้งมีขาพ่อแม่ให้มามีแขนมีมือที่พ่อแม่ให้มานี่นะล้วนแล้วแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่ใจของเรามีความสุขความสบายอยู่เดี๋ยวนี้ความสุขกายสบายใจอยู่เดี๋ยวนี้นะมาจากไหนอะเนี่ย เป็นสมบัติของพ่อของแม่ของเราที่มีคนเดียวในทั้งหมดให้มาท่านให้มานี่ไม่ใช่ว่าให้แบบอิจฉาให้แบบด้วยความรักหรือความเป็นห่วงเหลือเกินที่ท่านให้มาเนี่ยแต่และอย่างเนี่ยนะให้แบบความรักให้แบบความเป็นห่วงเหลือเกิน ว่าคนนี้ไม่ควรจะให้สองขาละเธอก็ไม่ได้มันไม่มีเจตนาอคติอย่างนั้นคนนี้ไม่ควรจะให้สองแขนละเธอก็ไม่มีมอคติอย่างนั้นหูตาก็ไม่ควรจะให้ครบละท่านก็ไม่มีอคติอย่างนั้นให้ด้วยความรักให้ด้วยความสงสารจริงๆ ดัะนั้นพ่อแม่ของเรามีอย่างไรเราก็มีอย่างนั้นตามทันพ่อเราเป็นชายเราเป็นลูกก็เป็นผู้ชายพ่อแม่ของเราเป็นผู้หญิงก็มีลูกผู้หญิงมา เพาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละ <c oughs> เป็นสมบัติอันนี้เรียว่ามนุษย์สมบัติซึ่งได้มาจากพ่อจากแม่นั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งได้มาจากดวงจิตดวงใจของเราที่ได้สร้างสมบุลมความดีบุญบาลมีว่าสนา มาเป็นเครื่องตกแต่งเพิ่มเติมเสริมให้มีความสมบูรณ์ขึ้นเรียกว่าบุญรูปร่างสมบูรณ์จิตใจสมบูรณ์วาจาสมบูรณ์สติปัญญาสมบูรณ์ความสมบูรณ์เนี่เรียกว่าบุญถ้าจิตใจนี่มันไม่มีความสมบูรณ์เนี่เรียกว่าไม่มีบุญ เกิดขึ้นมาก็ได้อยู่กับมันขาดความสมบูรณ์อย่างที่เห็นเนกันอยู่นั่นแหละฉะนั้นทั้งสองอย่างนี่แหละมาผสมประสานกันเข้าจึงได้นามว่าสมบัติมนุษย์มนุษย์สมบัติสมบัติคือความสมบูรณ์มันไม่มีความวิบัตินั่นแหละถ้าตรงข้ามวิบัตินั่นก็คือความไม่ดี เราต้องการความสมบูรณ์อันนี้มันต่อเนื่องทีนี้เราควรจะเอาสมบัติส่วนนี้ซึ่งเป็นพ่อแม่แบ่งให้นี่แหละมาฝึกมาปฏิบัติ <c oughs> มารักษาให้มีความสมบูรณ์มาฝึกมาปฏิบัติมารักษาให้มัน เกิดกำลังกำลังความดีทางกายกำลังความดีทางจิตใจกำลังหรือพลังอันนี้แหละจะเป็นต้นเหตุสร้างความเจริญสร้างความสุขสร้างความเจริญ <c oughs> <c oughs> พูดถึงว่าความเจริญนี่ถ้าเผื่อไม่อาศัยหลักพุทธธรรมคําสอนแล้ว จะเกิดลังเลขึ้นมาทันทีความเจริญเนี่ยก็ดูที่ว่าโลกพัฒนาทุกวันนี่เปลี่ยนมาจนถึงยุคอะไรทรี่ว่าโลกาพิวัติโลกาโุวัตโลกาพิวัติตอะไรอะความเจริญทุกวันนี่ก็ขนาดนี้แหละ <c oughs> แต่แล้วความเจริญก็คือสิ่งมันมีมากสิ่งที่มีมากมาจากไหนก็มาจากคนทมคนพัฒนาคนทมทุกวันนี้มันมีมากคนก็มีมากเครื่องใช้ก็มีมากรถลาก็มีมากมากในลักษณะนี้ มันก็นเลยเกิดความไม่สมดุลกันขึ้นก็เหมือนอย่างที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละอย่างรถมากๆไเป็นยังไงถนนนนททางในกรุงเทพคนมากๆแออัดไปยังไงในกรุงเทพ <c oughs> วัตถุเครื่องใช้มากๆไปยังไงนี่การเจริญรัง ความเป็นสมบัติของโลก <c oughs> ทั้งด้านวัตถุถ้ถามันจเจริญในในลักษณะส่วนเดียวอย่างนี้ถ้ามองทางทำแล้วยังไม่สมประกอบยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่สมดุลในความรู้สึกความต้องการของจิตใจนะั่นนะ พอสิ่งที่จเจริญมาประเภทนั้นจเจริญมาสาหรับใครเนี่ยปัญหามอยู่ตรงนี้มีมาสําหรับใครก็มีมาสําหรับมนุษย์ที่จะต้องใช้ไอคนที่จะใช้นะ่ะนะมนุษย์เราที่จะใช้นะั่นเจริญตามไหมทีเนี่ยมันสมดุลกันไหม ด้านจิตใจนะ่ะมันเจริญไหมมันสมดุลกันไหมไอ้ตรงนี้หละถ้าเผื่อไม่ไม่ได้มาศึกษาทางธรรมเราไม่ไม่เข้าใจว่าปัญหามันอยู่จุดไหนแจ้ปัญหา เ อ, อไม่ถูกจุดมันก็ยางว่านนั่นแหละตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายแจ้งปัญหามันก็ไม่ไม่จบไม่ตกให้ไม่หลุดไม่พ้นให้ฉะนั้นมีทางเดียวแต่หลักพุทธธรรมคําสอนเท่านั้นแหละ <c oughs> จะมาเป็นเครื่องขี้เป็นเข็มทิศ มาเป็นแบบแปนแผนผังให้พวกเราศึกษาความสมบูรณ์ความสมดุลนั้นมันอยู่ตรงไหนในลักษณะนี้จึงนึกถึงเจตนาของพวกเรา <c oughs> ที่เป็นผู้จเจริญด้วยการศึกษา ควรมีแนวชิดควรมีข้อชิดในทางที่ถูกที่ต้องเจตนาที่พวกเราสนใจก็ามาศึกษาตามหลักพุทธธรรมคำสอนนี้ <c oughs> อันนี้แหละที่จะให้พวกเราเกิดความซาบซึ้งเห็นคุณค่า เห็นคุณค่าของที่ท่านเรียกว่าบุญคุณน่ะอย่างที่มีแม่กับบุญคุณของแม่เป็นยังไงมีพ่อบุญคุณของพ่อเป็นยังไงมีเพื่อนบุญคุณของเพื่อนเป็นยังไงมีประเทศชาติบ้านเมืองบุญคุณของประเทศชาติบ้านเมืองเป็นยังไง ถ้าเรามองเห็นบุญเห็นคุณแบบถึงใจซึ้งใจแล้วชีวิตความเป็นอยู่ของเรานี่ทุกอย่างเพื่อบูชาคุณทั้งหมดทำอะไรทุกอย่างเพื่อบูชาคุณทั้งหมดบูชาบุญบูชาคุณทั้งหมด ดังนั้นบนคนสิ่งเหล่านี้ <c oughs> จะไปดูที่ไหนทีเนี่ยถ้าจิตใจสมบูรณ์อยู่จะปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าเรื่องบุญเรื่องคุณนี่จะปฏิเสธไม่ได้ถ้าจิตใจยังสมบูรณ์อยู่นะว่าคนนั้นไม่มีบุญคนนี้ไม่มีบุญเมื่อพ่อแม่มีบุญมีคุณอันนี้จะไม่ปฏิเสธจะไม่ดูถูกจะไม่บินมินประมาทกาบท่านผู้มีพระคุณ ถ้าจิตใจยังสมบูรณ์ดีอยู่ถ้าเข้าใจแล้วจะไม่ปฏิเสธไอ้ักตัวอย่างคนที่เข้าใจแล้วจะไม่ปฏิเสธเรื่องบุญเรื่องคุณนั่นก็คือ <c oughs> จิตใจของท่านผู้มีความปกติดีอยู่เห็นความดีของตนอยู่ แล้วตนของตนนี่ใช่ความดีเพื่อความสุขใจอยู่เท่านี้แหละเพราะความสุขใจมันเกิดจากความดีของของแต่ละคนของแต่ละสิ่งของแต่ละอย่างมันเกิดจากความดีเท่านั้นแหะ สมมุติว่าเรามีตาตาดีกับตาไม่ดีไปยังไงให้ผลต่างกันขนาดไหนทางจิตใจหูดีกับหูไม่ดีเป็นยังไงแขนขาดีกับแขนขาไม่ดีมันต่างกันยังไงเรามีเพื่อนที่ดีกับเพื่อนไม่ดีมันต่างกันยังไง มีพ่อที่ดีมีแม่ที่ดี ม, ม, ม, ด <c oughs> มันต่างกันยังไงกับพ่อแม่ไม่ดีมันต่างกันยังไงฉะนั้นนะถ้าเรามองสรุปลงมาแล้วสังเขปในสังเขปเข้ามาแล้วก็คำว่าบุญคุณอ น, นั้นได้แจกความดีที่เราอาศัยอยู่ ความดีที่มีในเราก็ดีกับบุญคุณในสิ่งที่เรามีความดีที่มีอยู่กับคนอื่นที่เราอาศัยอยู่ก็ดีเมื่อเราอาศัยความดีของคนอื่นเราอาศัยความดีของเราที่มีอยู่ในเราตาดีหูดีอวัยวะดีความดี น, นี้มันส่งถึงใจให้ใจมีความสุข ตนั้นใจจะมีความสุขความสบายใจจะมีความสุขความเรือนอาศัยความดีอันนี้เท่านั้นความดีอันนี้แหละถ้าวิถาลณายออกไปสักหน่อยหนึ่งความรู้ถ้าความรู้ดีแล้วก็ได้พึ่งดีมีความรู้แล้วต้องทำ ถ้าเราทำดีประพฤติตัวดีแล้วก็ได้พึ่งความดีนั้นแล้วรู้ดีกระทำดีผลที่ได้มามันต้องมีสิ่งที่เราอาศัยก็ต้องรู้จักรักษาอย่างเราได้ <c oughs> ตนได้ตัวมาได้หูได้ตามา ได้แพทย์หญิงแพทย์ชายมา ก, ก็รู้จักรักษาอย่าเอาสมบัติล้ำค่านี้ไปทำความเสื่อมเสียถ้าไปทำความเสื่อมเสียแล้วมันเกิดเป็นทุกข์กับตัวเองด้วยเกิดความเป็นทุกข์กับผู้ให้ความหมายกับเราด้วยใครผู้ให้ความหมายในเราก็คือผู้ อ, อมีความเกี่ยวข้องกับเราอยู่นะให้ความหมายอย่างแม่เราก็ให้ความหมายว่าเราเป็นลูกพ่อเราก็ให้ความหมายเราเราเป็นลูกพี่น้องกันก็ให้ความหมายว่าเป็นพี่เป็นน้องกันฉะนั้น <c oughs> การรักษาถ้าเราไม่มาศึกษาตามหลักพุทธธรรมคำสอนอันนี้แหละ มันจะไม่รู้จักรักษาจะไม่รู้ไม่ไม่มรู้จักการแสดงว อ, อกว่าออสมบัติล้ำค่าเนี่ยทำยังไงมันเสียทำยังไงมันดีจะไม่รู้จักกัรดูบางคนนั่นไปทำแบบที่ <c oughs> ท่านผู้รู้ตีเ ต, ตียนเมาหัวยำเปเล่นแจกมะเหลกเสพ ไรผิดหูผิดตาท่านผู้รู้ประพฤติตัวนอกเรืดนอกรอยตามันนองคองธทำสินรมแม่บทกฎหมายนั่นเห็นไหมการการรักษาตัวเองการประพฤติตัวเองมันมีอยู่ดาดเดือนไม่ใช่หรือทุกวันนี่เอาไปมาเรือหมดเลยลืมถึงไก่เครื่องนุ่งห่มของตัวเอง เครื่องล่วงข่มของตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองมันโตขนาดไหนเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วควรจะละายหรือไม่เราเป็นลูกผู้ดีของพ่อของแม่หรือเราเป็นกะล e ีไม่ได้นึกละทีเนี่ยชุดสมบัติผู้ดีแฟชั่นสมบัติผู้ดี assembly, ไปยังไงนุ่งยังไงทานนุ่งยังไงแฟชัช่นสมบัติกะลีเ้านุ่งยังไงก็ไม่รู้ละทีเนีย้ยเด็กเขานุ่งยังไงคนโตเ้านุ่งยังไงก็ไม่ได้ดูละทีเนี่ย มันเลืมขนาดนั่นนะ่ะทำไมมันจึงลืมก็เพราะอำนาจของความหลงราคะตันหามันพาให้ทำราคะตันหาที่มันเป็นธรรมชาติมีหัวใจมันบีบบังคับให้ทำจนลืมตนลืมตัวคุณธรรมความละอายแทบจะ ไม่มีในความรู้สึกอันนั้นนะกลายเป็นด้านไปหมดอันเด่นด้านคอยยังชั่วบรรดานส่วนคนที่ควรไม่ให้ด้านนีมันจึงไม่มีความได้มันจึงไม่กลัวเนี่ยลักษณะที่ขาดคุณธรรมเป็นอย่างนั้นโลกาพิบัตินะ มันใช้โลกานุวัดนะทุกวันเนี่ยมันจะเข้าระบบเข้าโลกาพิบัติเข้าไปแล้วมันจึงมีปัญหาดาาเดินทั่วโลกอ๋อาไปมามันน่าทุเลเร่จริงๆอพูดถึงว่าตามยุคตามสมัยรูปภาพโฆตนาแบบอย่างออกตามสื่อมวลชนมันดูไม่ได้เลยทีเดียว นางเสพเพมแต่และาจะบาปเหมือนกับมันไม่มีอะไรความดีในโลกนี้จะมาอวดมาอ้างมันมีอันเดียวเท่านั้นหรือความดีอื่นไม่มีรหรือมันน่าเท่าแรขนาดไหนสื่อมนชนที่มาททำให้เสื่อมเสียทุกวันนี้เอาไปมาลืมตนลืมตัวลูกพไม่แบบเพื่อตัวอย่างนี้คเฉตของลูกพ่อกับแม่ก็ไม่ ประพฤติตัวอยู่ได้ ค, ควาเขตก็ควรเป็นพ่อเป็นแม่ท่า น, นเห็นไหมกับเรื่องอะไรก็เรื่องบ้าตันหาอันเดียวนั่นเล่มารู้ตัวอันเดียวนั่นแหละไม่มีความละอายไม่มีความกลัวนั่นแหละทําไมจิ๋กับเพราะมันด่านด่านอย่างที่ว่าด่านไม่ควรสิ่งที่ไม่ควรใจใด่านมันด่าน <c oughs> ถ้าด้านในส่วนใต้เจ้าเดินไปเดินมาก็ไม่มีปัญหามันด้านส่วนเให้สวยแห่งามที่มันไม่ดูไม่ได้เดี๋ยวนี่ยควรจะยิ้มแยม้มแจม่มใสควรจะมีความละอายควมจะมีความกลัวมันก็ควรจะคิดอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนั้นเที่ว่าสมัยมันจเจริญ เดี๋ยวนี้มันเจริญอะไรก็ไม่รู้เอาไปมาวงศาสนาก็ด้านเขาไปอีกลืมตนลืมตัวอยู่ในฐานะยังไงเป็นพระเป็นเจ้าผู้มีสินมีธรรมกงไปกงมาเป็นตัวอย่างของประชาชนชาวโลกก็ไม่รู้มันลายกายขนาดนั้นเลยขึ้นชื่อว่าประเภทจิเลตัญหาซึ่งมัน ถ้าไม่มีคุณสินคุณธรรมเป็นเครื่องบังคับมันแล้วมันไม่ได้กลัวใครทั้งนั้นแหละมันไม่ได้เป็นอะไรกับใครทั้งนั้นแหละมันไม่ได้มันไม่ได้บวชกับพวกเราทั้งนั้นแหละเรื่องจิเล่เรื่องตัณหามันไม่ได้ศึกษาเราเรียนกับเราทั้งนั้นแหละมันไม่ได้มีความรู้กับเราทั้งนั้นแหละเรื่องจิเล่ตัณหาราคะตัณหาโลพาโทสะโมหะ มันก็เป็นของมันอยู่ดีเราจะรู้ขนาดไหนเรียนจบมาในฐานะไหนกันลาค่าตัญหามื่กันมีตามเรื่องของมันอยู่นั่นมันไม่ได้เป็นไปตามเราเจงไปกว่าเราที่ด้วยซ้ำ <c oughs> เราเอาความรู้ของเราควบคุมมันไม่อยู่หรอก ควบคุมความโลภความโกรธความหลงควบคุมราคาตันหาไม่อยู่หรอกความรู้หลักวิชาของโลกนั่นน่ะพอที่จะบรรเทาเบาบางอยู่ด้วยควเคตอาศัยความรู้ทางธรรมเท่านั้นแหละว่าทาอย่างนี้มันควรไหมมนุษย์เราควรจะจะละอายยังไงควรจะกลัวต่ออะไรทำเท่านั้นแหละเป็นเครื่องชีเป็นเครื่องเตือนกีเตือนใจ ถ้าเรื่องกิเลสตัณหาแล้วโอ๊ยแล้วมันเท่านั้นแล้วเหมือนจัดสาวาสิ่งนั่นแล้วมันจะมีความลายอะไรที่ไหนเพศหญิงเพศชายมันมันก็วิ่งได้สบายไปได้สบายเดินเหินได้สบายนั่นแล้ว <c oughs> ปิดไม่ปิดช่างหัวมันปิดน้อยปิดมากช่างหัวมัน นี่มีแต่คุณธรรมเท่เานั้นจะไปเครื่องชี้เตือนจิตเตือนใจเออนี่ควรจะละอายยังไงควรจะกลัวยังไงควรจะเกิดความสำเนึกยังไงจึงจะได้ชื่อว่ามนุษย์สมบัติจึงจะได้ชื่อว่าเป็นลูกผู้ดีของพ่อของแม่สมบัติผู้ดีควรจะทำยังไงนี่ละเป็นผู้ปฏิบัติ ด, ดีรักษาดีมาจากไหนหรืมาจาก การกระทาของเราผลการกระทำของเราที่ทำมาดีการกระทาดีมาจากไหนก็มาจากรู้ดีความดีสามอย่างนี้แยกจากกันไม่ออกความดีสามอย่างนี้อนุวัตเข้าในหลักพุทธศาสนานะคืออะไรคือพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธพุทธหมายถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า ก็คือความรู้ของจิตใจของเรานั่นแหละมาภาคปฏิบัติรู้ดีแล้วกระทำการกระทำนั่นคือพระธรรมทำเป็นผลมาดีแล้วการปฏิบัติการรักษาเพื่อใช้ใเป็นประโยชน์ทางที่ดีคือเป็นผู้ปฏิบัติดีรักษาดีก็ยางว่านแล้วก็รักษาอะไรก็รักษาสมบัติของพ่อของแม่ที่มันมีในเราที่เป็นเรานี่ยแหละจะเรื่องอะไรนี่ ศึกษาหลักพุทธธรรมคำสอนต้องเข้าใจอย่างนั้นไม่เข้าใจอย่างนี่แล้วก็ไม่เป็นธรรมให้เมื่อไม่เป็นธรรมก็เป็นไปตามเรื่องจิเรศเท่านั้นแล้วี่มีเรื่องอะไรเป็นไปตามเรื่องตัณหาเท่านั้นแล้วเห็นชีวิตนี้ไม่มีคุณค่าอะไรเท่านั้นแล้วเป็นเครื่องเล่นเท่านั้นแล้วไม่จะมีประโยชน์อะไรอ่ะนี่พวกเราทุกท่านกุสอและเจตนาดีก็ข อ, อนโมทนาตั้งใจมาศึกษาตั้งใจมาฝึกปฏิบัติเจตนาเนี่ ให้เป็นไปเพื่อกุศลและเจตนาของเราให้มันเป็นสาระแน่นสารยืนยาวไปเป็นนิสัยเป็นไปนใจตลอดเข้าสู่มรรคผลนิพพานโน่นจินัันพานเข้าใจเมื่อเทศนาธรรมมาถึงตรงนี้เห็นว่าพอสมควรเจ่เวลาจึงข อ, อยุติไว้เพียงแ่นี้ขอความสุขความเจริญ จงมีแดดพวกเราทุกทันโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธิน